ยังไงคุณสีไม่ได้คุยกันหลายวันนะวันนี้มีโอกาสได้คุยกันนี้ว่าไงมีอะไรมาเล่าให้ฟังอันนี้จางไหอ่าอันนี้จังไหมเนี่ย ทุกตัวภาากับอากาศนะแต่มันหมอนอจริงๆนะตตอะไรเตรียบมันเลยเ<อ>มันก็เป็นธรรมตาน<อ>์นะรู้สึกว่าเวลาๆๆๆๆๆๆเราเราเราภาวนาทุกท่ทุกโ่เนี่ยมันจะร้อนหนักกว่านั่งเฉยเอม๋ยวแบบนั่งนั่งแบบนั่งเล่นนะเพราะมันมันถูกบังคับไงนั่งเครีย เจ็บมันก็เลยทําให้นางกายมันร้อนร้อนเพราะความเครียดของจิตเพราะจิตมันไม่ชอบอยู่เฉยแต่คิดอย่างเดียวแหละแต่ถ้ามันสงบแล้วมันจะหายนอนหายเครียดสองชั่วโมงแล้วยังเงาตกมันสู้กันอยู่มันไม่ยอมเหมือนกับมวยชอบกันแล้วยัง ไม่มีคู่ชนะคู่แพ้มันก็เลยยังสู้กันต่อมันก็ดึงไปแล้วก็ดึงมาเราก็พูดโทรไปมันก็ดึงไปคิดถึง mm hmm. คนนุ้นคิดถึงคนนี้ mm hmm. ก็ดึงกันไปชักกเยอะกันอย่างนั้น่ mm hmm. ะถ้าเวลาฝ่ายหนึ่งไปได้ยอมแพ้แล้วมันก็ชักกเยอะก็สบาย mm hmm. ใ ช, ใช่พอเขาไม่ดึงปับ๊บเนีความตึงเครียดก็หมดเลย mm hmm. ก็ต้องสู้กันไปยิงกว่าเขาจะยอมแพ้ แต่ส่วนใหญเรามักจะยอแพ้ก่อนนะพบทัพเถื่อนเราไม่เคเปีกยนถ้าเถื่อเราไม่ไม่เคเปลี่ยนทเวกชนิดที่แบบหายไปจากปัญหาของเราเองนะนต้องมีเรืยสังเกตนะคะว่าเราอย่แบบไม่มีปัญหาเลยเลยมันเป็นบางช่วงนะที่แบบว่าจิตใจสงกเย็นอย่างแท้ขนาดว่าแต่มันมี มบางครยยยั้งยกตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นในน้อยู่ดีก็มีคนข้ามบ้านมาตัดต้นไม้แล้วที่เราก็ไม่ได้โกรธไม่ไรแต่ว่าอืมมันปัดนะบอกตำรวจด้วยถึงก็แสดงเราเริ่มนะแต่ว่ายัางไม่ถึงขนาดไปเกดแต่ว่าคื อ, ค, อคือเราก็จัดการอะไรแล้เราก็ทํารั้วแล้วก็ให้ให้คนมาตัดต้นไม้ใหม่เลยคือว่าเราเป็นเราเราผจญปัญหาไะฮะ<อ>แต่ว่า ขณะที่ทําไปนะีะเราก็ยังทําเ อ, อทําสมาร์ที่อยู่เราก็รู้ว่าเราเราต้องคุมก็คุมควาก่อันนี้มันเป็นตอนที่ที่แบบที่ ท, ที่ที่บอกไปว่าเนื้อตกเนะี่ะคือคือที่ที่ที่อาจารย์บอกว่ามันไปสู้กันนะเราพยายามจะทําทําจิตเราให้สงบว่าเออมันถ้าเขาทำเราให้ข้าวของเราเสียหายก็เป็นบาปที่เขาทําเองนะเราจะไปโกรธในเขาอะไรอย่างเนี้ย แต่มันคงมีมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรากดเอาไว้ว่าไม่ไปกดเลยอะไรอย่างนี้นะงั้นไอความเย็นที่เราเคยได้ที่เราไม่มีปัญหาเลยเลยเนะี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีจนกระทั่งเราทํารู้วเสร็จเอาคนมาปลูกต้นไม้สวยงามมันก็เลยเย็นลงเย็นลงนะอันนี้มันก็สําคัญนะคะว่าทํำไมเราถึงต้องทิ้ปัญหาที่บ้าน ทุปัญหาทุกอย่างทรัพสมบัติที่เราดี อ, ออกไปที่ไม่มีปัญหานาั่นเลยนะไม่ทิ้งนะน่าคิดนะท่านน่นเแต่ไม่น่าทำ <laughs> <laughs> ยังไม่ถึงเวลาอ่นั่นแหละท่าที่อายุยมากแล้ว <laughs> ถ้าถ้าคิดงี้ก็จะไม่มีวันถึงเวลายลังยังยังวางแผนอยู่แ่เจ้าเอ่อไม่รู้จะเข้าไปไว้ไหน <laughs> <laughs> <laughs> ก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบ่อยๆเลยพุทธเจ้าท่านก็มีปัญหาเยอะอยู่ในวังไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลยมันก็มีร้อยแปดปัญหาก็ถ้าไม่ทิ้งมันก็เหมือนอยู่ในกองไฟนะ่ะใจเราตอนนี้อยู่เหมือนอยู่ในกองไฟอยู่กับเรื่องวุ่นวายต่างๆใจของเราก็เลยสงบยากแต่ถ้าเราไปเปยกวิเวกอยู่คนเดียวกายวิเวก ทางกายจากปัญหาต่างๆ mm. ใจก็จะวิเวกเห็นต้องกายวิเวกก่อนใจถึงจะวิเวกที่ไปนี้ก็ไม่ได้ไปหนีปัญหาไปเพื่อไปสร้างกําลังเพื่อที่จะมาสู้กับปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าตอนนี้เราไม่มีกําลังสู้กับปัญหาต่างๆแพ้ทุก ร้องไห้เสียใจโกรธอาคาดพยาบาลอะไรเหล่านี้มันเป็นเครื่องหมายว่าเราแพ้เราแพ้กิเลสแพ้ความโกรธแพ้ความอยากอยากราไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเสียใจน้อยใจอันนี้มาจากความอยาก รูความอยากไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ถ้าเราหยุดความอยากแล้วเราจะไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่โกรอะ ค, ครจะทําอะไรก็ทําไปไม่ต้องทํารู้ว่าให้เหนื่อยอะท <c oughs> ี่เป็นป้วงทรัพย์ของป้าใช่กายเข้าไปก็อยากจะได้กาเข้าไปอที่คนแบ่งกันเมื่อกี้กับประเด็นของคุณแม่ที่บอกว่า อาการโกรธอาการโกรธที่คุณแนี้ม่แสดงว่ากายนี้ไม่ไดโกรธกายมันโกรธไม่เป็นหรอกอกายมันเป็น ด, ดินน <ไฟ S 2> ้ําลมไฟแต่คุณแม่ยังมีการกระทําไปกับจิตอยู่อังก็งจิต ก, จตก็จิตก็คือจิตเป็นกระทํากับจิตจิตมันทําอยู่แล้วอืแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเป็นอาการโกรธนี้คือเราต้องใช้ ใช้อะไรเข้าไปพิจารณาว่าหรือรู้รู้วุธทางจิตหรือยังไงต่าง่าเอ่าคุณคุณไม่ได้ฟังก็ก็อย่าไปโกรธอย่าไปอยากงัเมื่อกี้ก็บอกแล้วต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากแต่คุณไม่อยากคุณก็จะไม่โกรธถ้าไม่อยากให้เข้ามาทําลายทรัพย์สินของเราปล่อยก็ทํ า, าทไปเราก็ไม่โกรธไปร้องตัวงไงฮ ะ, ะเราไปทำให้มันดีขึ้นคือป้องกันไม่ให้ัค ไม่เขามาทำเองก็หมายควาะว่าเราอยากไม่ให้เขามา<ฮ>ทำร้ายทรัพย์สินของเราก็เป็นความอยากของเราเองอเลยต้องไปเสียเงินมาหลาหมื่นก็ื่อจะทำนะฮะแต่นี้ถ้าเผื่อเราเราปล่อยไปว่าเอ้ตอต้นไม้มันจะตายหรือว่าว่ามันไม่มีก็มาอีกเสจหร้อตายไปแล้วเราก็อย่งนี้ทำใจได้นะฮะว่าเราทิ้งหมดแล้วแต่ว่าเราพย า, ายามจะรักษาสมบัติอนั้นเอาไว้ให้มันเหมือนเดิมนี่ดีเหมือนเดิม อันนี้เป็นความความหยาบเนี่ยมันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้โกรธนะแต่ว่าฉันก็ป้องกันตัวฉันเกิดมาทำอางีกนะอะไรอย่เงี้ยนะอยู่ที่จิตทนั้นแหละทําไปให้เรรู้ตัวนะคะว่ายัางมีกิเลรอยู่เออก็มาพูดไปทําไมเอามาประจานตัวเองวะเครับเพราอาจารย์บอกให้ลองทํานนะ ว่ามันลุกเสกฟังไปตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยยังกิเลสหนาอยู่ยหน้าที่ของเราก็คือฆ่ามันฆ่ากิเลสไม่ผิดกฎหมายเออไม่ติดคุกออไม่ไปนร ก, กไม่ไปอบายครับฆ่ากิเลสแล้วจะไปนิพพานไม่ชอบฆ่ากันกิเลสชอบไปฆ่านคนอื่นะเออ ถ้าฆากิเลสของคนอื่นอัน้นเนี่ยก็ต้องพยายามหยุดความอยากต่างๆให้ได้เพราะความอยากนี่เป็นตัวทำให้เกิดความเครียดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ต้องออกไปหาที่สร้างกำลัง ที่เราอยู่นี่มันไม่ได้เป็นที่สร้างกำลังแต่เป็นที่สร้างสร้างความอยากกันเราต้องไปอยู่ที่ที่เสริมสร้างกำลังที่จะมาหยุดความอยากก็คือต้องที่วิเวกที่อยู่คนเดียวที่ห่างไกลจากทรัพย์สมบัติก้าวของเงินทองห่างไกลจากบุคคลต่างๆห่างไกลจากเรื่องราวต่าง เราก็จะได้สร้างกําลังหยุดสร้างสติสติเป็นเหมือนเบรกเบรกที่จะหยุดความอยากต่างๆในเบื้องต้นถ้ามีสติแล้วขั้นต่อไปก็สามารถที่จะสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อมาถอดถอนรากของความอยาก พอลาของความอยากทุกถอนไปแล้วทีนี้ก็ความอยากก็จะหมดไปสตินี่เพียงแต่กดเอาไว้กดความอยากเอาไว้พอเพลสติพอปล่อยให้ใจคิดปับ๊บมันก็ความอยากก็ไหลาตามออกมาพอมันไหลาตามออกมาถ้าอยากจะให้มันหายไปหมดไปก็ต้องใช้ปัญญามา ถอนรากของความอยากความอยากก็รากของความอยากก็คือความไม่รู้ว่าความอยากการทำตามความอยากนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆแล้วพอเราเห็นว่าการทำตามความอยากก็ทำให้เราต้องทุกขเราก็จะได้ไม่ทำพอเราไม่ทำแล่ตามความอยาก ทำยากก็จะหมดกำลังไปแล้วเราก็จะไม่มีอะไรมาทำให้เราต้องทุกข์ทำให้เราต้องเสียใจทำให้เราต้องโกรธทาให้เราต้องน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอกน้อยใจทำให้เราไม่ต้องมากังวลไม่ต้องวิตกไม่ต้องหวาดกลัวกับอะไรต่างๆเนี yeah. ่ย อยู่แค่ตรงนี้เองอยู่ระหว่างปัญญากับสติที่จะมาหยุดความอยากที่จะมาถอดถอนรากของความอยากคือความหลงความหลงก็คือเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่เรา ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ว่าสามารถครวบคุมบังคับได้มันเลยทำให้เราทุกข์กับสิ่งต่างๆทุกเพราะเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงเราทุกข์กับร่างกายเพราะเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาแก่ก็ไม่ไม่สุขล้วเวลาเจ็บไายได้ป่วยก็ไม่สุขแล้เวลาตายก็ไม่สุขแแต่เรามองไม่เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เ่าถึงต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา แสดงว่านี่คืออนิจจังไม่เที่ยมล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เรียกว่าอนัตตาคือไปทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ร่างกายนี้เราไปสั่งมันไม่ได้สั่งได้บางอย่างสั่งได้ในสิ่งที่มันไม่สำคัญอะไรสั่งให้มันเดินสั่งให้มันนอนสั่งให้มันนั่งสั่งได้ แต่ <S 2> <S 2> ไปสั่งให้เรื่องที่สําคัญสําคัญนี้สั่งไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสั่งไม่ได้ที่เราต้องมาคิดอย่างนี้บ่อยๆเราจะได้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปอยากให้มันเที่ยงไม่ไปอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กัมันต่อไปเพราะเราจะไม่มีความอยากที่จะให้เขาเที่ยงยัไม่มีความอยากให้เขาอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไม่ว่าอะไรก็ตามลาบยศสรรเส ร, ริญควบคุมบังคับได้ไหมเงินทองเนี่ยสั่งให้มันเข้ามาอย่างเดียวน่ด้ไหมแล้วไปสั่งให้ธนาคารขึ้นดอกเบี้ยเลยไหมให้ขึ้นดอกเบี้ยให้หน่อยไว้ แล้วอย่าลดนะแล้วอย่าเจ้งนธนาคารเนี่ยเดี๋ยววันดีคือนีธนาคารเจ้งเงินฝากก็หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วก็ทุกแล้วนะพอคิดถึง เ, เรื่องเหล่านี้ขึ้นมาก็ทุกแล้วนี่ถ้าเกิดมีข่าวว่าพุนาธนาคารนี่ทาทางยังไม่ดีอันนี้นเนี่ยคอยดูเดี๋ยวไปย่างกันถอนกคนที่ไปทีหลังก็สวยละ หมดแล้วแล่วเขาต้องปิดธนาคารชั่วคราวเพราะถ้าถ้าปล่อยให้ถอนมาเดี๋ยวมันก็หมด응เงินที่เราไปฝากนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในธนาคารแล้วรู้ปะเอาไปให้ค น, นอืนเขายืมหมดแล้วแล้วถ้าเกิดคนที่ยืมไปไม่ยอมจ่ายมาธนาคารย้ำเงินที่ไหนมาให้เรานี่อาศาัยว่าคนที่ยืมธนาคารไปก็ยัง มาจ่ายอยู่อันนี้นหละไม่เท <cho> right ียงเลยต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองคนที่ไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองขอทานก็ไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องธนาคารนะเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมเขาไม่ต้องห่วงว่าดอกเบี้ยจะขึ้นนดอกเบี้ยจะลงธนาคารนี้จะล้มหรือไม่ล้มไม่ารตกมาจากเตอ ท่นานได้บอกว่าไม่มีมันดีกว่ามีพ่ามีแล้วมันทุกข์ไม่มีแล้วมันไม่ทุกข์ยศก็เหมือนกันเห็นไหมยศเนี่ยอยากได้ยศกันนะอยากได้ในพันในพนถ้คืนก็ถูกถอนใช่ไหช่วงนี้มีแต่ถูกถอนมีข่าวถอนเยอะเลยนั่นก็ก็ไม่เที่ยงเห็นไหม แต่คนเราเห็นยนต์ราคิว่าเที่ยงกันทั้งนั้นนะได้เราจะต้องเป็นไปตลอดแล้วก็มีแต่จะขึ้นอย่างเดียวลงไม่ได้ด้วยนะเป็นในสิบก็ต้องขึ้นเป็นในร้อยในร้อยก็ต้องเป็นในพันในหมื่นในแสน 100, ออพอไม่ขึ้นก็เครียดอีกเวลาช่วงที่เขาจะมีการเลื่อนขัน้น <c oughs> เลื่อนยนตนี่โอ้ย วิ่งกันเหมือนจ็อกกิ้งเลยวิ่งมาราธอนกันแล้วก็ไปเต้นแอโรบิกด้วยทั้งวิ่งทั้งเต้น <c oughs> <c oughs> แล้วพอไม่ได้ก็ขอขอพักไปรอรอบหน้ารอปีหน้าได้มาก็โอ้ยเลี้ยงฉลองกันใหญ่จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกันนั่นเดี๋ยวก็ อายุหกสิบก็บายบายนี่แหละนีกยศเจริญยศก็ต้องมีเสื่อมยศเนี่ยเจริญลาบ ก, ก็ต้องมีเสื่อมลาบมันถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวอแต่คนที่มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอถ้าท่านต้องมาเจอกับลาบกับยศท่านก็จะเฉย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือเขาให้มาก็รับไว้แล้วเวลาเอาไปให้คนอื่นก็ไม่เสียดายรับมาแล้วก็เอาไปต่ออย่างหลงตาท่านรับทองคำจากญาติโยมรับมาแล้วท่านก็นมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยไปเวลาได้มาก็ไม่ดีใจเวลาให้ไปก็ไม่เสียใจถ้าได้มาแล้วดีใจจะไม่อยากให้ ใช่ไหมถ้าได้มาของอะไรที่เราได้มาด้วยความดีใจนี่เวลาเราจะทำให้คนอื่นไปนี่เราเสียดา ย, ยาแต่ถ้าเราได้มาด้วยกวามไม่รู้สึกใจเฉยๆรู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเราก็รับไว้อย่างนั้นนะรับไว้แล้วเพื่อจะส่งต่อให้กับคนอื่นอีกทอดหนึ่งเราเป็นเหมือนคนกลางไม่ได้ไม่เสีย คนที่มีปัญญาก็จะไม่ได้ไม่เสียกับราบยศสรรเสริญสุขเพราะท่านท่านรู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันไปท่านก็เลยไม่เสพมันไม่มีความผูกพันกับมันไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันมาก็ไม่ยินดีไปก็ไม่ยินร้ายเพราะท่านไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ มาใหาความสุขกับใจของท่านใจของท่านมีความสุขในตัวมันเองมีความสุขที่เกิดจากความสงบในถ้าใครมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะไม่ยินดียินร้ายกับการเจริญกับการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขเพราไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเองเขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไป อย่างพวกเรายัางงพิ่งราบยศเสริญเสริญศุกอยู่ใช่ไหมยังเพิ่งเงินทองอยู่ใช่ไหมคอยเช็กดูยอดอยู่ทุกเดือนรึเปล่า <c oughs> <c oughs> แต่เราไม่มียศไม่มียศก็ปลอสบายไปอย่างหนึง่งคนที่ไม่มียศก็สบายไปอย่างเป็นคนธรรมดาสามัญก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการถูกปลด กับเรื่องของการที่จะทําไมไม่ได้ขึ้นทันทีติดมาอยู่ท่านนี้ต้องไม่รู้กี่ปีแล้วอย่างเรานี่อยกตัวอย่างเขาตั้งให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณมาตั้งแต่ปีสามหกนี่ปีหกศูนย์ยี่สิบสี่ปีแล้วยังไม่ได้ขึ้นอย่างเขาเลยถ้าเขห็นว่าไม่หย่อได้ก็อก็เราไม่ได้วิ่งไม่ได้เต้นไง เม่ล้นแนวไม่ยาวเล่นสั้นพวกเล้นสั้นจะไม่ค่อยได้ไปไม่ได้เดิบได้ดีเท่าไหร่ช่วพวกลิ้นยาวไห้ได้เล่นยาวมันมันได้เด็ดได้ดีอันนี้พูดให้ฟังแต่พวกที่ค พวกที่เขาอยากได้นี่เขาต้องขึ他 brasile, 他้นทุกห้าปีอย่างน้อยเขาเขามีเกณฑ์หน่อยห้าปีต้อง anyways, kana, kana er. ขึ้นเพราะมันมีต้องหกขั้นเจ็ดขั้นถึงขั้นสูงสุดขั้นสามัญแล้วก็ขึ้นขั้นขั้นรากขั้นรากก็ขึ้นขั้นเทพขั้นเทพก็ขึ้นขั้นพรมเฉยเฉยเฉยเฉยขอเราพูดนะขั้นเทพแล้วก็ขั้นธรรมขั้นธรรมขั้นรอง เขารรองสมเด็จแล้วก็ขั้นสมเด็จแล้วก็ขัน้นสังฆราชเนี่ยเขามีก็อย่างน้อยเฉลี่ยห้าปีห้าปีภายในยี่สิบห้าปีนี้ก็เจาะคิวเป็นสังฆราชได้ยี่สิบห้าสามสิบปีไม่แน่ใช่ฮะบบจ่อจะเป็นสังฆราชก็ไม่แน่ก็น่เพราะมันมีต้องแปดคนจ่อก็เอาคนเดียวอ่ะก็แล้ว ก็ต้องมีได้มีเสียกันเรื่องของของยศก็อย่างเงี้ยถึงมว่าจะได้ถึงขั้นสูงสุดก็ยังต้องเสียดายแตขั้นสุดท้ายกลับไม่ได้ตายไปก่อนก็มี <c oughs> จอคิวจะได้เขาก็ไม่ยอมตั้งให้ <c oughs> สักดีก็นี่ก็คือเรื่องของความทุกข <c oughs> ์ในในในเรื่องของยศเนี่ยถ้ามียศแล้วถ้าอยากได้มันก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากได้ ก็เฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ ไ, ไ, ม, ไม่มีปัญหาอะไรพร <c oughs> ได้มาก็ไม่ได้ไปอวดใครําหรันคนที่ไม่อยากได้ผภาพป่านนี่เขาไม่ไม่มีงานออกเหมือนผ้าบ้านผ้าบ้านนี่เขามีกิจไมหมวลมีงานอมีงานเข้าวงเข้าวังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอาพัดของเขาไปอวดกันอ่าชั้นพัดชั้นเทพนะเพอรพัดชั้นลานด เธอต่างกว่าชั้นชั้นสูงกว่าเธ อ, อเอาเวลาไปงานของทางในวงังนี่เขาไม่ดูพันษากันก็ดูพักกันไม่สงสัยเป็นผู้หญิงไปเปลี่ยนมานะถูกมันมันเป็นมันยุ่ยไงหมดแล้วแล้วไปไปให้เขาทาใหม่ให้กันมันเป็นกรรมยีแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่รู้เอามาไหว้บนเขา ขามันชื้นคอนชื้ น, ม, นมากรรมหยี่มันก็เลยยุยไปหมดเล ย, ยอัอนนี้เลยต้องเอาพลาสติกหุ้มสองชั้นแล้วก็ไม่เคยใช้มเลยนอกจากในวันนี้เป็นวัดหลวง <c oughs> เวลางานกระทอดกระถินนี้ต้องไปเอาพัสไปใช้เหนือนปีละหนึ่งครั้ง นอกนั้นก็ไม่ได้ไปใช้ไห น, อ, น อ, อ่าพัดอันนั้นละอะไรงี้พัดที่อันพุ่งสองชั้นน่ะอ่าัดที่เอาพะอไไอัะเสกคอไว้นี่การมันการมันชื้นการความชื้นปีนึงก็เอามางานทอดกรถินกระถิน่นหลวงเป็นงานหลวงเป็นงานของราชพิธนีนี้ก็ต้องใช้พัดยนต์อืมยนต์ก็เอามาใช้สักครั้งหนึ่ง หลังนี้ก็ไม่ได้ลงนับกระถิน่นอะไรไม่ได้ใช่อยให้พระหนุ่มพระที่เขานะพรรษาน้อยกว่าให้เขาได้เป็นหัวหน้ารับมีหน้ามีตาเราก็ไม่ต้องลงไปรับในเรื่องของยศถ้ามียศก็ทุกได้เวลาที่ได้แล้วไม่ขึ้นก็ทุกแล้ว เรต้องต้อมีตัญญาคิดว่าเหตุแห่งทุกข์นี่แหละอยู่ที่ไหนก็พวกนี้นะอยู่ที่ความอยากไนะงอยากนพออยากได้มาเราคิดว่าได้เราทาให้ตอนเองนี้เท่กว่าคนอื่นเเด่นกว่าคนอื่นคถามยังมีเล ม, ม, มานะไปเข้าไปอีกก็นั่นแหละความเด่นไงการเด่นก็คือมานะฉันสูงกว่าเธอแล้วนะ และยิ่งสามารถแสงพัรษาได้ยิ่งวิเศษถ้าพระป่านี้เขาเขาจะไม่ดูยศเขาจะดูพัรษากันสูงอาวุโสหรืผู้น้อยนี้ดูที่วันบวชใครบวชก่อนก็ถือว่าเป็นพี่ใครบวชหลังก็เป็นน้องก็ต้องเวลาพบกันผู้ที่เป็นน้องก็ต้องแสดงคาระวะต่อผู้เป็นพี่ ด้ยการกราบสามครั้งอันนี้จะไม่มีวันที่จะแซงกันได้เพราะว่าถ้าปีหน้าสองพรรษาเขาก็ขึ้นไปพรรษานึ่ง้าก็สูงกว่าเราเช่นเราสามพรรษ า, ศาเ้าก็เป็นสี่พรรษาอันนี้ตามยังไงก็ไม่มีแซงกันอันนี้เคารพกันมาตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันตาย ในสมัยพระพุทธการก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องยศ เ, เรื่องพรนษานี่คือพระราช อ, าอะไรพระราชญาติของพระพุทธเจ้าเจ้าชายห้ารูกหลังจากที่ได้เห็นพงพระเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วทรงแสดงธรรมโปรดก็ดศรัทธาขึ้นมาก็อยากจะบวชพร้อมกันเลยห้ารูก แ้วพอดีมีคนนับใช้คนนึงเป็นช่างตัดผมเขอบวชตามเสด็จด้วยเจ้าชายนะฮะรู้ทัานก็นเลยปรึกษากันว่าเวลาบวชนี่เรามันดูที่พรรษากันหรือวะใช่ไหมใครบวชก่อนบวชหลังแ ล, แล้วการบวชของพวกเรานี้บวชเพื่อละกิเลสใช่ไหมละอัตตาโตโตนใช่ไหมเห็นเราก็ใ ห, ใ ห, ให้ลูกน้องเราบวชก่อนกน็แล้วกันพอเราจะได้กราบมัน อ้าวจริงๆอ่านั่นแหละเขาบวชสมัยนั้นเขาบวชแบบบวชเพื่อฆ่ากิเลสสมัยนี้บวชเพื่อมาซึเพื่อมาเลี้ยงกิเลสกันบวชเพื่อมาแย่งแย่งตําแหน่งกันแย่งหน้าแย่งตาแย่งที่นั่งกันเนี่ยต่างกันตรงนี้ของเจ้าชายห้าลูกก็เลยให้ช่างตัดผมเป็นคนบวชก่อน แล้วเจ้าชายห้ารูปทั้งก็บวดตามวัยลงตามอายุลงใครแก่กว่าก็บวชก่อนไปนและแต่จะตัดสินใจจะตกลงในเมื่อใจไม่ไมม่่ไ ไ, ได้ยึดติดกับเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาจะบวชก่อนบวชหลังก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือการบวชจริงๆบวชเพื่อมาระลาบยศสระเสริญสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มาบวชเพื่อที่จะม า, าจะเจริญในลาบยศสารสันสุขให้มันเจริญในทางอาริยมรรคอริยผลจเจริญมากผลนิพพานจเจริญความสุขทางใจอันนี้ต่างหากที่เป็นเป้าหมายของการบวชแต่สมัยนี้ก็ มีบวชสองแบบพูง่ายๆบวชเพื่อลาบยศสารเสื่อมศก็มีบวชเพื่อมังขุนนิพพานก็มีพวกที่บวชเพื่อมังผลนนิพพานก็มั ก, มกมจะเข้าป่าเข้าเขากันไปพวกที่บวชเพื่อลาบยศสารเสื่อก็ต้องไาบวชตามวัดที่มีมีสมเด็จเป็นเจ้ า, าอาวาสสังเกตดู ว, วบรรดาพระที่มี ยศรานาศาสตร์นี่จะรวมๆอยู่กับวัดในกรุงเทพตรงนั้นะเพราะว่าเวลาแต่งตั้งเขาก็ผู้ใหญ่เป็นคนแต่งตั้งมหาเทราสมาคมนี่องค์กรที่ปกครองสงฆ์นี่ก็มาจากวัดที่มีพระที่มียศตรงนั้นะถ้าใครอยากจะได้ยศเร็วก็ไปบวชที่วัดเหล่านี้ เ, เดี๋ยวไปรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวท่านก็เมตตา ตัวไปไปอยู่ป่าอยู่ถ้าไหนไงก็ไม่มีใครทราบก็เลยก็เขาไม่ได้ก็เขาไม่สนใจอแล้วถ้าเขาไปไม่ได้ถูกนึ่งเลยเขาตัดไปเลยเขาไม่ได้ให้ถูกลงถูกลึ่งเขาไม่มาร่วมกิจกรรมเขาไม่ได้มาแสวงหาสิ่งเหล่านี้เขาไปหามรรคผลนิพพานบวดเพื่อมรรคผลนิพพานเขาก็เข้าป่าเข้าเขาไป ถ้าบวชเพื่อให้ได้เจ้าคุณฉั น, น, นฉันสามันเจ้าคุณชั้นราดฉันทำก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆพระที่นี้วัดที่นี้สมเด็จสมเด็จก็เปรียบเหเมือนนายพลเนี่ยพุทธทหารก็เหมือนกันถ้าไปรับใช้นายพลนี่ม่ขึ้นเร็วจะตายเลยปีละสองขั้นสามขั้นขึ้นกันแตถ้าไปอยู่ชายแานก็ไม่มีใครเขาจะเสนอชื่อให้ไปอยู่ต่างจังหวัดนี่ใครเขาจะไป เสนอเชื่ออะอยู่ไกลยอยู่ไกลปืนเที่ยงเขาเรียกยงั้นพวกที่เขาอยากจะได้ยศนี้เขาไม่บวชที่วัดเหล่านี้กันก็ เ, เป็นคนละสายไปเลยต้องคือว่าผู้นั้นจะต้องเข้าใจว่าระบบมันเป็นยังไงแล้วไม่ต้องมาน้อยใจเออเขารู้กันเขารู้กันคนที่มาบวชเขารู้กันคนที่เขาบวชเพื่อมรักผลที่พานเขาก็ไม่เลยไปแยแสกับไอ้เรื่อง เรื่องยศต่างๆเหล่า น, นี้หลวงปู่มั่นเขาจะตั้งให้ท่านเป็นอุปชาท่านก็ไม่เป็นตั้งให้ท่านเป็นอะไรท่านก็ไม่เป็นในชะ่ไมมันนอกจากยศแล้วมันก็มีภาระต้องมาแบกมีงานมีอะไรต้องทำงานที่ไม่ใช่เป็นงานเพื่ออ่ดับกิเลสฆ่ากิเลสแต่เป็นงานที่มันทำให้ เกิดความวุ่นวายทางจิตใจท่านก็เลยไม่สนใจกันท่านก็เลยได้รับตําแหน่งต่างๆรับแล้วท่านก็รู้ด้วยว่ามันเป็นไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจ์รับแล้ววันดีคืนดีเขาก็อาจจะปวดก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ชอบที่หน้าเราขึ้นมาเขาก็ปวดได้ะ คนทํางานต่างๆจึงบอกว่าอย่ามาเสียใจว่าเออเราทําดีแทบตายทําไมเขาไม่ให้รางวัลเราไม่ให้ชมเรามันไม่ได้อยู่ที่ความดีหรอกการทํางานคําชมสมัยนี้มันไม่ได้อยู่ที่การทําความดีมันอยู่ที่ว่าทําแล้วถูกใจคนที่เขาจะชมเราหรือเปล่าใช่ไหมถ้าทําให้ถูกใจคนที่เขาชมเขาก็ชมใหญ่ mm hmm. ถ้าไปทําดีแต่ไปขัดใจเขานี่เขาก็ไม่ชมเราเหรอก จริงไหมเอราะฉะนั้นเราทำดีไม่ได้ทำเพื่อทาชมไม่ได้ทำเพื่อรางวัลไม่ได้ทำเพื่อให้ได้เงินเดือนขึ้นหรือไม่ได้ทำเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นเราทำความดีเพื่อให้ความสุขใจใช่เราทำเพื่อใจทีนี้คนไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เราไปคิดว่า การทำความดีเพื่อให้เจริญในราบยศสรรเสริญสุดทำแล้วจะได้เงินเดือนขึ้นจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นอะไรพอไม่ได้ก็เลยผิดหวงังแล้วก็เลยไม่เข้าใจว่ากฎแห่งกรรมนี่มันจริงหรือเปล่าเพราะไปดูไปดูผลที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปดูที่ราบยศสรรเสริญ ไม่ไปดูที่ใจที่สุขหรือทุกจากการทาความดีกับการทาความชั่วอันนี้ของแท้ของจริงมันอยู่ที่ใจทำชั่วแล้วให้ได้รับเงินเดือนได้เลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นแต่ใจก็ไม่สบายใจเพราะกลัวว่าไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งก็เขาอาจจะรู้ขึ้นมาว่าเราทาเราทาผิด เดีย๋ยวมีนางวีนางวันต่างๆที่เราได้รับก็ถูกเข้าลิบไปหมดเห็นไหมพวกที่ถูกปวดถูกอะไรนี่ก็เพราะว่าเนี่ยความชั่วมันผลความชั่วมันมาโผล่ทีหลังให้เขาเห็นพอก็เห็นเขาก็เลยต้องกําจัดเห็นไหจะเป็นสังฆราชก็ไม่ได้เป็นเห็นมอนนี่แหละคือเรื่องของการทำความดีความชั่ว จิตมันร้อนจิตมัรอเหมือนกบนรอกไปก่อนเลยเราจะทได้ก็ลองไปมีแฟนดูหอย้อมีแฟนมีแฟนดูเราจะรู้สึกยัไงตอนอยู่ใกล้แฟนใหม่ก็หลงก็ลืมไปไม่ทุกพอผ่านมาแล้วที่นี่มานั่งคิดไอชิบหายใครมารู้เข้ามเ้ย มาอุนเลยมันก้าวเตาออกมาลบกัเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะทุกขึ้นมาเวลาทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะสงบเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอา น, นิสงส์ของถ้าอยากจะได้อยากจะรู้ว่าผลจากการทำความดีมีอะไรบ้งางพระเจ้าบอกหนึ่งจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะไม่ได้จะไม่ตายด้วยยาพิษหรืออาวุธเพราะจะไม่มีใครเขาคิดทรรําร้ายเราไม่มีศัตรูทําแต่ความดีตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็ตายไปก็ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ไม่ไปอบายนี่แหละคือผลดีผลที่เกิดจากการทําความดี ขอาตโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่นี้เข้าใจไว้อย่าไปคิดว่าทาความดีเพื่อจะได้เงินเดือนเพิ่มจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นอันนี้เป็นเรียกว่าผลพลอยได้อาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ผลที่ได้นี้ผลพลอยได้นี้มันมันมันไม่ให้ความรู้สึกเท่ากับผลที่เราทำที่เราได้จากการทำความดีแล้วความสุขที่ไดจากการได้เงินเดือนขึ้นหรือ ในตำแหน่งสูงขึ้นนี่มันไม่ได้สู้กับความสุขที่เกิดจากการทำความดีของเราเตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายไปไหนก็มีเพื่อนเต็มไปหมดมีแต่คนรักคนชื่นชอบยินดี น, นี่แหละคือผลของการทำความดีอย่าไปดูที่ด้ยนนินเสียงรสนิสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เช่นอาจจะได้เงินเดือนขึ้นก็ได้ราบอาจจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นก็ได้ยศอาจจะได้ใบประกาศหรือเขามหาลัยเขามอบดุษฎีบัณฑิตให้อันนี้ก็เรียกว่าสรรเสริญหรือบริษัทให้ไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาเพราะทำยอดได้อันนี้ก็ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้ไม่ได้เป็นเป็นผลหลักที่เกิดจากการทําความดีผลหลักที่เกิดจากการทําความดีคือเราสุขใจอิ่มใจสบายใจอมยิ้มอยู่ในใจอ่ร้องไห้อยู่คนเดียวก็ลองดูแต่ลองช่วยเหลือใครลองเสียสละจริงๆสักวันเนี่ยช่นกำลังจะรับประทานอาหารเราก็มีเงินซื้ออาหารมื้อนี้มื้อเดียวแต่เข็น ขอทางเดินเดินเดินมาพร้อมโซไม่มีข้าวกินเอาสละข้ามื้อนี้ใมันกินด้วยถึงแม้เราจะไม่ได้กินข้าวแต่ใจเราจะอิ่มจะไม่รู้สึกขีว่าจะรู้สึกมีความสุขที่เราได้ช่วยเหลือคนที่เขายากไร้กับเราให้เขาได้สบายบ้างอันนี้แหละคือเรื่องของการทําความดีทําแล้วจะเกิด ความรู้สึกที่ดีภายในใจแล้วขอทานคนนั้นมันจะมันมันจะเป็นเพื่อนเราวันข้างหน้าเราเกิดไปเป็นขอทานมันเกิดเป็นคนรวยขึ้นมามันเลี้ยงดูเราชีวิตไม่แน่นอนน ะ, ะสลับกันได้เราอาจจะสบายวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตกยากก็ได้เขาตกยากในวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะสบายก็ได้ แล้วถ้าเราได้ทำความดีต่อเขาเนี่เขาก็จะจำเราได้ <Yeah. S 1> เวลาใครก็ทำความดีกับเราเนี่เราจะจำเขาได้นหะ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือเขาได้เราอยากจะช่วยไหมนะั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของจิตใจของคนทุกคนนอกจากพวกที่พวกที่มืดทึบอันนี้ก็ต้องยกเว้นมีบ้าง พวกที่ไม่รู้คุณรู้บุญรู้คุณของคนนี้มีอยู่พวกนี้เราก็อย่าไปถือว่าเป็นเกณฑ์กันแล้วถือว่าเป็น e อ็กซ์เพรสชมีบ้างพวกที่ไม่มีความกระตันอยู่พวกที่เนรคุณนี่ก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ได้ทำเพื่อหวังให้เขามีความกระตันอยู่เราทำเวลาทำนี่อย่าไปทวงบุญคุณทำเพื่อเพื่อความสุขใจ บุคนนี้เราไม่ได้หวังอะไรจากใครนะบุญไม่ทวงทำบุญแต่ไม่ทวงบุญจากใครส่วนเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อให้เขาตอบแทนอะไรกับเราเราอาศาัยความทุกข์ยากลาบากของเขาเป็นเหตุที่จะให้เรามาทำความดีให้เราเสียสละให้เราแบ่งปันเพื่อเราจะได้เกิดความสุขใจขึ้นมา เราต้องขอบใจเขาว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ทุกข์ยากลาบากเราก็ไม่รู้จะไปช่วยเราก็จะไม่ได้ไปช่วยเขาเราก็จะไม่ได้รับความสุขใจที่เกิดจากการที่เราไปได้ไปช่วยเหลือเขาเราะั mm ้น hmm. คนที่ทุกข์ยากลาบากนี่ mm hmm. เขากลับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความสุขใจให้กับเรา mm hmm. พวกที่เป็นเทวดายังไม่ค่อยได้มีโอกาสสร้างความสุขใจกันเพราะเทวดาก็สบายกันทุกคน เหมือนพวกที่พวกเศรษฐีอยู่ด้วยกันนี่มันก็ไม่มีใครจะต้องมาช่วยเหลือใครใช่ไหมต่างคนก็ต่างช่วยตัวเองได้เออ่ก็คนดด่ว ย, นนดยด้วยกันก็เลยไม่ต้องช่วยเหลือกันมใช่ไหมแต่ถ้ามีคนจนเนี่พ อ, อเราได้ช่วยเขา ม, มันบังคับให้เราต้องเสียสละแล้บังคับให้เราแบ่งปัน ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของของคนเราทุกคนที่มีกิเลสยังหวงอยู่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ยังไม่อยากจะเสียสละแต่ถ้ามีเหตุการณ์แล้วมีจิตสำนึกก็จะทำให้เข า, เาคิดว่าเออทำแล้วมันดีกับเขาเขาก็จะทำอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเคยได้ทำมานี่มันจะติดเป็นนิสัย พอเห็นใครเดือดร้อนเราอยากจะช่วยแต่ถ้าไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเห็นแล้วก็จ ะ, จ, ะจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่สึกจะอยากจะช่วยอะไร <c oughs> ก็ต้องอาศัยอยู่ใกล้กับคนที่สอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเสียสละแบ่งปันทำบุญทาทานช่วยเหลือกันอันนี้เรียกว่าเป็นการทำความดี ถือศีลห้าไม่ช่ถ้นไปมันต้องมีจิตใจพองย่างมีน้ำพอมีหารสิลเมตตากรุณาเราถึงจะทำบุญได้ในอวามเมตตาสงสารว่าขอทานเขาขีดข้าวต้องมีงมมเนนตตมตตาขึ้นมาใช่เขาไม่เมตตาเราก็เดินหนีตายเลยแล้วนี่ต้องไทยทานกันต้องเกิดเกิบจิตเมตตาสงสาร คือศีลเนี่ยมันที่จะเป็นศีลแท้มันต้องทำออกมาจากจิตใจทำจากจิตใจที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันแต่ถ้าทำด้วยกรอบคือทำตามที่ตัวศีล บ, บังคับนีมันยังไม่ได้ทำออกมาจากจิตใจแต่มันก็เป็นการที่จะทำให้ มันเข้าไปถึงจิตใจต่อไปตอนต้นก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมทําเพ่งกันรู้ว่าไม่ดีการทําบาปไม่ดีก็เลยไม่ทำํำแอ่พอทําไปแล้วพอมีโอกาสคิดว่าอถ้าเกิดเราถูกเขาทําบ้างเราจะรู้สึกยังไงเราก็จะรู้สึกว่าไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องไม่ทําเขาเพราะเขากับเราก็มีความ รู้สึกนึกคิดแบบเดียวกันรักตัวกลัวตายเหมือนกันรักสุขกลัวทุกข์เหมือนกันยนั้นถ้าเราไม่ไปไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากไปทำให้คนอื่นทุกข์มันก็จะทำให้เราเกิดความเมตตาขึ้นมามันต้องเข้าใจแต่ถ้าตอนต้นยังไม่เข้าใจก็ทำไปด้วยกิริยาก่อนด้วยการทำไปตามตัวอักษรกันก็คือตัวศีล ไม่ให้ฆ่าก็ไม่ฆ่าแต่ไม่รู้ว่าทำไมแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าไม่ไม่ฆ่าแล้วมันก็มันก็ไม่มีไม่ไม่ถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางล้วไปฆ่าคนอย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่ใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าเป้าหมายของการ รักษาศีลของการทำทาม น, นี้ก็เพื่อม า, อาปั้นใจให้เกิดความเมตตาเกิดความกรุณาเกิดพรหมวิหารสีขึ้นมาเป็นการพัฒนาจิตใจจากการเป็นเดรัจฉานให้มาเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นพรหมคนที่ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษยน์นี่แต่ใจอาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้ ถ้าไม่รักษาสีหน้าถ้าฆ่าฆ่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าเพราะฆ่าอะไรแบบร้ายแรงแต่ฆ่าเพื่อกินอย่างเงี้ยฆ่าฆ่าสัตว์เล็กสันน้อยเพื่อเอามากินก็เหมือนกับเป็นเดรัจฉานน ะ, ะเดรัจฉานเขาก็อยู่ด้วยการฆ่าสัตว์เล็กสันน้อยกับเขาตัวตัวที่เล็กกับเขามาเป็นอาหาร ถ้าเรายัางชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็เป็นเดรัจฉานขึ้นมาหรือลักทรัพย์ก็เหมือนกันลักทรัพย์ก็เป็นเดรัจฉานเหมือนมามันชอบฆ่ามาหารของคนอื่นไปนะเผลอวางอาหารไว้ตรงไหนมั น, ม, นมันก็ฆ่าไปแล้วเพราะมั น, ม, นมันไม่รู้ว่ามีเจ้าของว่าการฆ่าไปนี้ทําให้เจ้าของก็เดือดร้อน มันไม่สนใจเรื่องของความเดือดร้อนของผู้อื่นมันสนใจเพียงแต่ระงับความหิวของมันงั้นมีอะไรที่มันคาบได้มันก็คาบคว้าได้มันก็คว้าฆ่าได้มันก็ฆ่าอันนี้ก็เป็นนิสัยของเดรัจฉานแต่พอเรารักษาสี่ห้าได้เราก็เราก็ ก, กั้นความเป็ น, นเป็นเดรัจฉานออกไป คำจากมันออกไปจากใจเราก็เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี้จะไม่เบียดเบียนกันแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่ามนุษย์ก็นอกจากไม่เบียดเบียนกันแล้วยังต้องช่วยเหลือกันต้องแบ่งปันต้องให้ความสุขต่อกันและกันเช่นมีอาหารทําอาหารทีก็แบ่งไปให้บ้านข้างบ้านเราสมัยโบราณนี้ชาวบ้านก็เวลาทําแกงทีก็ไม่แกงเพื่อบ้านหม้อใหญ่ เขาก็คิดถึงบ้านข้างบ้านข้างแล้วเขาก็แบ่งกันไปแบ่งกันมาสมัยนี้อยู่ในคอนโดเดียวกันติดกันยเนี่ ย, ยม <laughs> สมัยนี้รู้สึกว่าทานนี้จะน้อยการทำทานนี้จะน้อยนี่อาจจะอยากไปทำที่อื่นไม่อยากจะทำกับคนใกล้ตัวก็ไม่รู้ <laughs> เพราะเดี๋ยวกลัวเขาจะมาวุ่นวายกับเรา <laughs> <laughs> มันก็มีทอดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะบางทีไปทาทานใกล้ชิดกับคนนั้น มากไปใกล้คนติดบ้านกันเดี๋ยวก็มาเคาะประตูเรียกอยู่เลย <laughs> มารบกวน <laughs> มันก็ลําบากเหมือนกันบางทีทําความดีก็ต้องระวังเหมือนกันทําความดีดีมากเดี๋ยวเขาชอบเรามากเขาก็จะมารบกวนเราอยู่ทืน่น <laughs> ี่เราก็ต้องมีมาตรการป้องกันเหมือนกัน คือถ้าเขามาโดยที่เราไม่ได้อยากจะให้เขาเราก็ต้องปฏิเสธไปถ้าไม่ปฏิเสธเดี๋ยวก็จะมาไม่หยุดเพราะธรรมชาติของกินเลสของคนก็อย่างเงี้ยพอได้อะไรแล้ง่ายๆก็อยากจะมาเอาอยู่เรื่อยๆก็ต้องมีการปฏิเสธบ้างมีมีคำฝรั่ ง, นะขขงเขาเขาเรียกการปฏิบัติบอบนี้คือ มือสั้นแต่กระเป๋าเล็กมาไม่หยุดเลยวันนี้ก็พูดแบบสเปสปะได้ความนะคะกินเลยทสไร่เดี๋ยวจะให้พรในรอบแรกก่อน ยะถาวาริวหาปุราปิลิบุริณติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิต um ังตุมหังคิดวเมวะสมิจัตุสาเพภุเริตุสังกปาจันโทปัะรักโศยะถามณิโชติ ระโสยะถาสพภิต so ิโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขาโยโกภวะอภิวานัีลิฤทธานิจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมาวาทาติอายุวันสุขัง ภาลางยุนี้ไม่มีเรื่องปฏิบัติมาให้เล่าให้ฟังแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> หายไปหมดแล้วนั่ง <c oughs> หกชั่วโมงนั่งไปลอนดอนนี่หายไปแล้วเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ของง่ายนะที่จะทำไปไเรื่อย วันนี้ใครเป็นคนเอาอุจจารสมาธิมาแากอุจจารสมาธิกับปัสสวะสมาธินี่พวกเรามีกันทุกวันนั่งได้ทุกวันวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่นนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสามร้อยสสองค่ะุ ห้าสิสี่ค่ะห้าสิบสี่ประมาณนี้ที่ทดสอบกล้องที่ทำอะไรให้เขาดูเป็นไงบ้างมีมีผู้ผู้ตอบเข้ามาเยอะไหมเยอะครับใช่คนที่ก็ไม่รู้เขาจะได้รู้นะว่าทำากันยังไงบ้างก็ทีมงานนี่ไม่ได้มีเงินเดือนน ะ, ะมาด้วยความสมัครใจไม่มีราบยกกำเสริฐมา ทำเพื่อเอาความดีอย่างเดียวทำเพื่อความสุขใจอั น, นั้นไม่ต้องการอะไรเพราะถ้าต้องการเราก็คงไม่เอาเหมือนกันทุกอย่างนี่เป็นเรื่องธรรมชาติสันมดเนี่ยวันนี้เสือเสืออะไรเอยของเข๋อะไ ร, ะไรนี้มันมาของมันเองไม่ไม่ได้พูดเลยสักคำเดียวเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ตอนที่ไม่มีเครื่องขยายเสียงไม่มีกล้องนี่ก็แค่นี้มีแค่สาลา แล้วก็มีญาติโยมเข้ามาคุยกันนั่งบนศาลา้างั่างก็นั่งไม่ได้เพราะนั่งก็ไม่ดียินเสียงเพราะไม่มีเครื่องขยายเสียงแล้วก็มีเนี่ยทีมงานที่ท่านมีความสามารถที่จะติดตั้งเครื่องขยายเสียงอย่างนี้นั่งตรงไหนก็ได้เ น, นี่ยในลานอย่างนี้นั่งได้ทุกคนทแห่งเราก็ไม่ได้เป็นคนรเริ่มเลยเนี่ยมี ผู้มีจิตศรัทธามีความปรารถนาดีผู้ที่อยากจะทำความดีโดยที่ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนเนี่ยก็มาจัดทำให้ทุกอย่างก็เลยมันก็เลยเป็นของมันมาอย่างงี้ช่วยกัน อ, อันนี้ก็มีผู้ศรัทธา น, นะฮะเพราะว่าคลัวว่าโยมจนอไ า, านานเรื่องีกลับบ้านครับโยมจุกนะขึ น, น, น, นันไหน จะอเลยสปอยเราไปเลยที่เขาให้นั่งเจ็บก็จะได้สร้างธรรมะขึ้นมารู้เปล่าได้ขันติขึ้นมาในความอดทนขันตินี้เป็นไฟแผดเผากิเลสขั้นตีตาโปตีติขาแปลว่าเนี่ยตาโปแปลว่าเครื่อง เครื่องแผดเผากิเลสตาปะไงว่านะตโปนี่มาจากตปะขั้นตีตโปตีติขานะนิพพานังอะไรเนะี่ยพุทธานะนิพพานนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงยกย่องนะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีขันตนะิเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเฉะนั้นะนะถ้าจะปฏิบัติธรรมเพื่อความ สุขทางกายก็อย่าไปปฏิบัติให้เสียเวลาถ้าไม่ถ้ายังไม่รับนะฮะยังชุบก็ไม่ได้มีโอกาสทําบุญกับโยมเนี่ยใช่ไหมกิเลสมันออกว่แล้วเราเสียก่เหลสมันไม่ยอวไม่ง่ายก็ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ไม่ไม่ไม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ทําการตัวไม่ต้องอะไร เราพูดส่วนของเราเราพูดวิเคราะห์ทางธรรมเนี่ยพวกที่อยากจะสบายทางร่างกายก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจความหมายของการปฏิบัติพวกที่ชอบนั่งบนเบาะเนี่ยเป็นพวกที่ไม่เข้าใจยกเว้นเราเนี่ยเนเราไม่ได้อยากจะนั่งเท่านั้นายากว่าเราจะได้พูดนานๆเมื่อก่อนตอนที่ที่พูดใหม่ๆบนนี้ก็ไม่มีเบาะอันนี้เขาเห็นแล้วเขาคงจะ อยากจะให้ ja. สบายหน่อยก็ม huh. huh. ันสบายมัน huh. ก uh ็ช huh. ่วยได้อถ้านั่งแบบไม่มีเบาไม่มือเพีงนี้มันก็เจ็บหลังเจ็บก้นตอนนี้โยงเวลาทํานั่งสมาธิโยงไม่มีเบาแล้วมาตั้งตั้งหกเดือนแลวคะก่อนเนี่ยเบาเป็นเป็นตั้งก็วิ่ก็นั่งสมาธิได้ก็ทำไมต้องมานั่งฟังธรรมต้องมีเบาด้วย มีสมาธิพจะารเยลาทสมาินี่แบัแข็งนะคะเราพยายมเนียเราไมปวดเลใช่ตัวแข็งเพราะถ้าเวลาไปีกวิเวงนี่มันจะแบกเบาไปลาบากเวลาจะไปภาวนาเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรหาที่นั่งบนโขดหินไปเลยนั่งที่ไหนไปเลยต้องอดทน อย่างที่ผู้หญิงที่ไปบวชชีที่เขาบราเล่าให้ฟังว่านอกจากไปนั่งหน้าศพแล้วยังต้องไปนั่งกับ ง, งูนั่งกับยุงเอย่ า, า, างก็แมลงให้ยุงกัดมแมลงกัดนั่นแหละขันติเน่ยนั่นแหละฝึกความอดทนฝึกขันติมิวสมัยพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญท่านก็แบบเนี้ยท่านก็ท่านก็อยู่ในป่าอยู่ในเขา ไม่มีกุฏิไม่มีที่ปกปิดอะไรต่างก็มีมาแรงสัตว์กัดต่อยก็ต้องอดทนเอาแล้วัที่พตาลูผู้ชาเขียนภาพท่านว่ามีดอกบัวรองรับโออนั่นก็เป็นเรื่องจินตนาการเป็นจินตนาการของของผู้ที่เขาเ้าออกแบบจริท่านนั่งบนหินนะท่านใครไปนั่งบนดอกบัวใหญ่ขนาดนะั้นมีที่ไหนเออ <c oughs> เป็นไม่มีปัญญาเลยไงขั้นเหมือนเรานี่แหละเราไปในป่าดูไม่มีอะไรไปดูเลยมันก็หาที่น anyway ั่งทักแข่งกันแหละจะบนเห็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีที่ที่มันนั่งได้นั่งนั่งเป็นวงนะอ่อ่านทักบ้านมีคําถามไหมอออ่าเข้ามาคำถามใน i อ b o x จากคุณลาพิงค่ะตอนบวชเต็มครับได้ทำกรรมโดยการช่วยตัวเองแล้วก็ได้สึกออกมาโดยไม่ได้ทำพิธีอะไรตอนนั้นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมากเท่าไหร่และกิเลสก็ยังมากมายบัดนี้ยังเสียใจกับการกระทำของตัวเองผมสามารถบวชข้อไปใหม่ได้ไหมครับเพื่อเพื่อจะปฏิบัติธรรมทไมถึงเวลาก็าสึกเขาสึกเองใช่หมเขเองอ่าเป็นพรแล้วก็อยู่ดีก็สึจไปเลย อคือเรื่องศึกนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นข้อบังคับตายตัวศึกเองก็ได้เพราะว่าก็ไม่ไม่ไมไม่มีกฎที่เวลาจะเป็นคารวาสต้องมีกฎหรือเปล่าว่าจะกลับไปเป็นคารวาสต้องไปทำอะไรบ้างมไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าโดยธรรมเนียมของของคนที่มีอะไรนะ มีมารยาทเขาก็จะไปมาลาว่า <c oughs> อุปชาอาจา ร, รย์นี่เป็นผืนพ่อแม่เวล า, าเราจะลาจากท่านไปเราก็ต้องไปกราบลาท่านเวลาเราจะลาศิกขาเราก็ต้องไปแจ้งให้ท่านทราบว่าจะไม่เป็นพระแล้วแล้วทางวัดเขาก็จะจัดพิธีเสดจให้ก็พิธีง่ายๆไม่มีอะไรก็เพียงแต่กล่าววาจารย์ต้อง การจะเสกจากการเป็นพาน้าได้นี้ต้องใจต้องแน่วแน่ว่าตัดสินใจแล้วว่าจะเสกแล้วก็ให้เป่งวาจาสามสามรอบอข้าพเจ้าจะขอลาศิกขาขอให้ท่านร <c oughs> ะลึกถึงข้าพเจ้าในฐานะของการเป็นคารวะของข้าพเจ้าต่อไปให้กล่าวสามครั้งด้วยกันพอกล่าว เ, เสร็จก็จบแล้วก็แล้วก็ชักผ้าออกได้ไปเปลี่ยนผ้า อดผ้าเหลืองออกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าของคารวะญาติโยมใส่ <c oughs> แต่พือการศึกเพื่อให้มันมีผู้รับรู้ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวศึกสามวันเปลี่ยนใจให้กูกลับมาเป็นใหม่ยังไม่มีใครรู้นี่ <c oughs> ใช่ไหม อ, อย่างนี้ก็อาจจะไม่ไม่ดีใช่ไหมหรื อ, ออาจจะว่าตอนนี้อาจจะอาจจะคิดว่ายังไม่ได้ศึกก็ได้เพราะยังไม่ได้ไปทำวิธีศึก <c oughs> เดี๋ยวก็กลับไป <c oughs> ไปซื้อผ้าเหลืองมาห่ <c oughs> มต่อ อาจารย์ครับคือว่าเขาอาจจะสึกมาแบบปกติครับอาจารย์แต่ว่าที่เขาหมายความคือว่าเขาไม่ได้แก้กรรมหรือบอกบอกกรรมบอกอาบัตที่ทําสังฆาพิเศษแต่ว่าสึกออกมาก่อนมากกว่าโดยที่ไม่ได้ทำพิธีกรรมาบกรรมเก่าก็ต้องมาแก้ต่อถ้ายังไม่ได้แก้เหมือนกับว่าเหมือนกับติดมีคดีเก่ายังไม่ได้ไปติดคุกนี่ก็ต้องไปติดคุก อย่างที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยถ้าจะกลับมาก็ต้องติดคุกก่อนอถึงวถึงจะหมดถึงจะพ้นคดีได้ถึงจะกลับมาเป็นคนที่ไม่มีคดีติดตัว <S <S 1> <S 1> เอาให้หนีไปกี่ปีนอกจากเขาถ้ามีกฎหมายเขามีในอายุของอายุความก็แล้วไปถ้าถ้าพ้นอายุความไปแล้วถือว่าความผิดนี้หมดไปแล้วก็ก็หมดไปแต่ถ้ายังไม่พ้นความก็ยังต้องมา ของทางพระนี้ไม่พ้นถ้าทําผิดแล้วเราไปคือมีทําทําผิดแล้วก่อนจะเสร็นี่เขาจะให้ไปไปไปชดใช้การกระทําผิดให้ไปชําระด้วยการปรงบ้างด้วยการอยู่กรรมบ้างถ้ายังไม่ได้ชําระก็ยังถือว่ายังไม่ยังไม่พ้นคดีกลับมาบวชใหม่ก็ต้องมาชําระคดีเก่าให้หมดไปก่อน ก็อันนี้ก็ต้องไปคุยกับพระที่เขารับบวชว่าเขามีมาตรฐานอย่างไรในการรับคนมาบวชคำถามจากคุณเคียงไกลค่ะกราบขออุบายในการพิจารณาทำเพิ่มเติมเพื่อลดการราคาและปฏิภคาครับก็เนี่แหละก็ให้คิดถึงสรางศพอยู่เรื่อยๆอสุภะมองคน วังคนหน้าดูหน้าชมก็คิดถึงข้าวตอนเวลาที่เขาตายก็ไปดูอสุภะสิบชนิดเนี่ยศพตายใหม่อืดขึ้นอืดพองศพที่เริ่มมีสีเขียวขีอะไรช้ำตามน่างกายศพที่มีน้ำเหลืองไหลย้อยออกมาศิษศพที่ขาดเป็นท่อน ศพที่มีแรงกามากัดกินศพที่เหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยอันนี้ก็คือการให้เราดูภาพที่มันจะทําให้ดับกามอารมณ์ได้นถ้าเราเรานึกถึงภาพเหล่านี้อยู่เลืนึกถึงศพอย่างนี้อยู่เรื่อยเวลาเกิดกามอารมณ์เราก็เอาเราก็กลับไปนึกถึงภาพเหล่านี้กามอารมณ์ ม, มันก็จะหายไปอันนี้ คือต้องต้องขยันต้องพยายามเราเลึกอยู่บ่อยๆคิดคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆคือจะต้องถามว่าจะต้องเห็นเป็นภาพชั้นเหมือนกับเป็นที่เราเห็นบนจอทีวีหรือไม่นี่ก็ไม่จำเป็นอะเพียงแต่นึกถึงมันนึกถึงมันนึกแล้วทำให้เรามีอารมณ์ไปกับมันก็ใช้ได้นึกแล้วทำให้เราดับการอารมณ์ได้ก็ใช้ได้ไม่ต้องจนต้องเป็นแบบภาพที่เราเห็น แบบเป็นบนจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีมันไม่จำเป็นอ่ะบางทีเราคิดถึงแฟนเราเนี่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาใช่ไหมเพียงแต่คิดถึงเขาก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วถ้ากำลังมีเรื่องกันอยู่นี้พอคิดถึงเขาปั๊บนี่อารมณ์ก็ขึ้นมาแล้วโดยไม่ต้องไปเห็นภาพหน้าเห็นตาเ็าหรอกเพียงแต่นึกถึงเขาก็พออันนี้ก็เหมือนกันให้นึกถึงอสุภะอยู่ด้ยนึกถึงความ ร่างกายของคนทุกคนที่ในที่สุดก็จะต้องกลายเป็นซากศพไป <Yeah. S 1> พอนึกอยู่บ่อยๆนึกชชำนาญแล้วมันจะคุมการอารมณ์ได้ yeah. เวลาเกิดการอารมณ์เกิดเธอไปเห็นภาพสวยๆงามๆแล้วก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาถ้าเราเคยนึกภาพเหล่านี้ได้มันก็จะมาทันทีแต่ถ้าเราไม่เคยนึกนี่มันจะไม่มาบันทีมันหลงไปติดกับนึกแต่ภาพสวยๆงามๆไป มันก็ทําให้เกิดการอารมณ์เกิดปฏิฆะเกิดการมาราคะขึ้นมาฉั้ต้องหัดเจริญต้องนึกบ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาสรางศพสิบชนิดอยู่เนืองๆหรือพิจารณาอวัยวะสามสิบสองอาการสามสิบสองของร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระเดื่เนี่ยเพียงแต่นึกชื่อมันขึ้นมามันก็มันก็มันก็ได้อารมณ์ใช่ไหม นึกถึงลำไส้แค่นี้มันก็ได้อารมณ์นะนึกถึงอุจจละปัสสวะอย่างนี้มันก็ได้อารมณ์ขึ้นมาไม่ต้องเห็นภาพชัดใช่ไหยให้นึกบ่อยๆเหมือนกับรหัสท่องสูตรคูณเวลาเราจะใช้มันจะได้มาทันทีคิดเลขเอ้ยสองคูณสองได้เท่าไหร่มาเลยถ้าเราไม่ท่องไว้ก่อนมันก็จําไม่ได้ มันเนื่องของความจำเนี่ยที่ให้พิจรารณาอยู่ตรงเนื้อเพื่อให้จดให้จำเพื่อไม่ให้หลงให้ลืมเท่านั้นเองพอไม่ไม่หลงไม่ลืมแล้วมันก็จะไม่มันก็ไม่หลงภาพส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่เป็นภาพห ล, ลอกภาพภาพหลอกเรามนุษย์เนี่ยเป็นของหลอกของจริงคือซากศพไงร่างกายของคนเป็นนี่เป็นภาพหลอกเพราะมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันจะต้องหมดไป แล้วภาพจริงแท้ของมันก็จะโผล่ขึ้นมาก็คือภาพของสรา้างศดแต่เราไม่เราเราไม่ไดไ้เราไม่เห็นภาพจริง เ, รเห็นแต่ภาพภาพหลอกเราก็เลยหลงติดอยู่กับภาพหลอกหลงรักมันเกิดการมารมขึ้นมาแต่ถ้าเรานึกถึงภาพจริงภาพที่จะต้องเป็นต่อไปของร่างกายของคนทุกคนก็อย่างที่พูดอยู่บ่อย ถ้าเกิดแกเราตายไปวันนี้จะเก็บไว้ไหมเนี่ยคืนนี้ยเก็บไว้ในบ้านไหมรีบหาที่ไปวันไหนดีใช่ไหมถ้าเขาอยู่ในบ้านแล้วเขาไม่ไม่อยู่แล้วคืนไปอยู่กับเพื่อนก่อนแต่ยังหาว่าให้เขาอยู่ไม่ได้ให้เขาอยู่ที่คอนโดไปแล้วก็ก็ไปอยู่ของคุณจุ๊บก่อนตอนงที่คุณจุ๊บก็เป็นผีเหมือนกัน ใจยังอยู่ได้ก็ยังหายใจอยู่พอไม่หายใจแล้วอยู่ไม่ได้น้องคิดบ่อยๆเลเดี๋ยวคเนี่อาจจะไม่อยากนอนกับเขาก็ได้คำถามจากน้องพิมพ์บ้านอำเภอฝาามาถามค่ะนี่ใน่้านพิมนะหนูขอเงินแม่แม่ก็ให้ค่ะ หนูเอาเงินนี้ไปซื้อของใส่บาตรคือหนูไม่ได้หาเงินเองหนูจะได้บุญไหมคะยังหรอกเป็นเงินของแม่อยู่นะคไม่ใช่เป็นเงินของหนูถ้าอย่างหนูอยากจะได้บุญจากการใส่บาตรหนูต้องเอาเงินที่แม่ให้หนูโดยที่แม่ไม่ได้สั่งว่าให้ไปใส่บาตรเช่นวันเกิดหนูแม่ก็ให้เงินหนูให้ของขวัญให้เป็นเงินหรือว่าให้เงินค่าขนมไปโรงเรียนเนี้ยเป็นเงินของหนูแล้วหนูอยากจะสละเงินนี้มาทําบุญเนี้ถึงจะได้บุญ แต่ถ้าหนูไปขอเงินแม่มาขอของเงินแม่มาทําบุญนี่หนูยังไม่ได้บุญเพราะมันไม่ได้เป็นเงินของหนูเองคําถามจากคุณยามินิเคยดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าดวงแบบนี้ถ้าบวชได้ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะติดสุขขอความคิดเห็นคระอาจารย์หน่อยครับหมอดูก็หมอเดาเนะี่ยคู่กัน งพิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านสอนในการระมาสูตรไงว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะเป็นใครก็ตาม อ, อย่าไปเชื่อเขาทันทีทันใดแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธหมอดูทักก็อย่าไปปฏิเสธแต่ก็อยากไปเชื่ อ, อพระพุทธเจ้าบอกเอาไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงเขาว่าเราบวชเริมจะเสร็จ ก, ก็ลองไปบวช ด, ดูซิว่าดูจะเสร็จจริงหรือเปล่า มาถามเราทำไม <laughs> ใช่ไหมอ่านี่คือหลักการนรำมาสูตรเนี่ยที่ท่านสอนาว่าไม่ให้เชื่อเพราะเป็นอาจารย์ไม่ให้เชื่อเพราะเชื่อกันตามกันมาไม่ให้เชื่อเพราะน่าจะเชื่อได้อะไรเงี้ยมันมีอยู่สิบประการเนี่ยลองไปอ่านดูในการนรำมาสูตรเนี <c oughs> <c oughs> ่ย่ย่า้คนขี้มาเชื่อครูนะเชื่อพันนะอ่าอฉาท่านก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่า สิ่งที่เขาพูดเนะี่ยมันเป็นตามที่เขาพูดหรือเปล่าคำถามจากผู้กวดสองค์ออกานาำค่ะเมื่อเช้าโยมไปส่องกล้องที่โรงพยาบาลตื่นเส้นฟนเบื่อแล้วเดือนมกราคมก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาจึงท่องพุทธโทฏิไว้แต่พอคุณหมอบอกว่าปกติก็เห็นว่าตัวเองโรคอกแบบนี้สับตกไหมคะตก <c oughs> <c oughs> เพอะถ้ามัถ้าลงอกเดี๋ยวเกิดถ้าขราวหน้าไปตรวจเป็นขึ้นมาก็ตกใจเองมันต้องเฉยเฉยไม่ลงอกไม่หนักอก ใ, ใช่ไมเฉยเฉยหรือว่าอะถึงคิวกูแล้วเตรียมตัวไว้หเองถ้าถ้ายังไม่เป็นก็ยังไม่ถึงคิวก็คิดแค่นั้นเองแต่ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวคิวเรามันก็ต้องมาอยู่ดี คำถามจากผู้มั่นสมออกนามการที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วปากหรือลิ้นเราขยับตามแต่ไม่มีเสียงออกมาอันนี้ปฏิบัติถูกหรือไม่ครับหรือว่าต้องบังคับให้มันไม่ขยับ อ, อ, อย่าไปขยับร่างกายเลยจะดีกว่าถ้าไม่ไม่ถ้ายังต้องขยับก็ขยับไปก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ไม่ชินกับการใช้ความคิดก็มันผูกไปกับปากด้วยก็ บ่อยมันแต่อย่าให้มันออกเสียงก็แล้วกันยังไงแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มันเป็นความคิดดุนๆุนเลยพุ mm hmm. โทโธแบบไม่ต้องใช้ปากไม่ต้องใช้ร่างกายค mm hmm. ำถามทางยูท b e จากคุณอาการิโกค่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าทําอยู่ทุกที่แล้วเรามีวิธีที่จะเห็นได้ไหมครับทามีลักษณะเป็นอย่างไรทาก็อยู่ในใจเราเนะี่ย อยู่ที่ไหนมันก็ตามเราไปหมดแต่ธรรมของพวกเราตอนนี้มันเป็นธรรมส่วนลบคือคือทุกข์กับสมุทยัยใจเรามีอยู่ตลอดเวลามีความอยากอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์กับความอยากตลอดเวลาส่วนธรรมที่เป็นฝ่ายบวกนี่ไม่ค่อยมีคือมรรคกับนิโรธนิโรดก็คือความสบายใจความดับทุกข์แล้วมรรคก็คือสติปัญญา ศ็นสมาธิปัญญาเราไม่ค่อยมีกันเราจึงไม่ค่อยเห็นธรรมฝ่ายบวกเราจะเห็นแต่ธรรมฝ่ายลบเนเวลาเราไม่สบายใจนี่ละก็นี่ก็คือธรรมละแต่เป็นธรรมฝ่ายลบเวลาที่เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็เป็นกิเลสละเป็นธรรมฝ่ายลบพออยากขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดลำคาญใจนะอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะกะวนกวายกระสรับกระสาย พอไม่ได้ดังใจก็เสียใจไม่สบายใจทุกข์ใจน้อยใจโกรธเนี่ ย, ยก็เป็นธรรมทั้งนั้ น, นธรรมมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแต่ธรรมของพวกเรานี่ต่างกับธรรมของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านมีแต่นิโรธกมักตลอดเวลาท่านมีศีลสมาธิปัญญาตลอดเวลาใจของท่านสงบเย็นสบายตลอดเวลาเป็นนิพพานตลอดเวลา ใจของพวกเรานี่ยวุ่นวายกันตลอดเวลาวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยทำของพวกเราเป็นอย่างนี้ทำผู้ที่ไม่มีทำของปุถุชนพูดง่ายๆต่างกับทมของพระอริยะเนี่ยเราต้องมาพลิกทมของเราพลิกใจของเราให้มันผลิตแต่ทมที่เป็นอริยะก็คือให้มันผลิตแต่มากกับนิโรธ ให้มีแต่ศีลสมาธิปัญญาตอนนี้มัมีแต่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคำถามจากคุณผู้ทวนกระแสโลกการไม่มีลูกถือว่าเป็นบุญหรือกรรมคะบางคนบอกว่าแต่งงานแล้วต้องมีลูกไว้เลี้ยงดูเรายามแก่เท่าค่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรมาเป็นมาตรฐานการวัดถ้าเอาความชอบใจ คนที่เขาอยากมีลูกเขาก็ว่าเป็นบุญแต่คนที่เขาไม่อยากมีลูกเขาก็ว่าเป็นกรรมแต่ถ้ามองตามหลักธรรมมันก็มันก็เป็นภาระจะว่าเป็นกรรมหรือเป็นบุญก็ไม่รู้แต่มันเป็นภาระมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเป็นบ่วงพระพุทธเจ้าบอกลูกนี้เป็นบ่วงนก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการวัด คนที่อยากจะได้ลูกเขาได้ลูกเขาก็ดีใจบางทีตัวเองผลิตไม่ได้ยังต้องไปให้หมอเขาช่วยทําทํากิฟต์ทอะไรให้หรือบางทีไม่ได้ก็ไปไปรับเด็กค้ำพามาเลี้ยงเป็นลูกก็มีเขาได้แล้วเขามีความสุขก็ เ, เวลาไม่มีลูกเขาเหงาเขาไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําให้เขาแผ่เมตตามันเขาอาจจะพอมีลูกเขาก็จะได้แผ่เมตตา เวลาเขาแผ่เมตตาเขาก็มีความสุขใจขึ้นมาออันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นบุญแต่คนที่ไม่ชอบเด็กไม่ชอบมีลูกเห็นว่าเป็นภาระเป็นเรื่องเป็นราวก็จะเห็นว่าเป็นกรรมไปพอพอมีลูกเนี้คยคไปเที่ยวไหนมาไหนก็ไปไม่ได้นะออกลูกใหม่ๆนี่ต้องเลี้ยงลูกไปงานเลี้ยงไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวตามอะไรสถานบันเทิงต่างๆนี่ก็ไปไม่ได้ ถ้ามนี้คนบางคนก็ทุกข์มากนะยิ่งคนที่สมัยนี้ชอบเที่ยวกันนี่พอมีลูกนี่เขาเขาเกิดความเขาเรียกอะไร depression ขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าการมีลูกทําให้เขาไม่มีอิสระภาพในการที่เขาจะไปหาความสุขต่างๆแบบที่เขาเคยหาได้เขาต้องมาเป็นภาระเลี้ยงลูกแล้วลูกก็บางทีก็ร้องบางทีก็เอาใจยากเนี่ย ยิ่งทำให้เขาเครียดยิ่งทุกข์ใหญ่บางทีถึงกับค่าลูกเลยก็มี <Yeah. S 2> นี่เพราะว่านี่เป็นพวกที่เขาไม่ชอบเด็กชอบชอบเป็นอิสระชอบมีชอบหาความสุขให้กับเขา <Yeah. S 2> เขาก็เลยไม่ชอบมีลูก <Yeah. S 2> ก็ถือว่าการมีลูกของเขาเป็นกรรมไป <Yeah. S 2> เป็นทุกข์ไปแต่คนที่ชอบมีลูก อยากเลี้ยงเด็กอยากเลี้ยงลูกนี่พอมีลูกเขาก็มีความสุขเขาได้แผ่เมตตาเขาก็ถือว่าเป็นบุญของเราแตคนที่อยากจะออกบวชก็ถือว่าเป็นบว่วงอย่างพระพุทธเจ้านี่อยากจะออกบวชทั้งว่าลูกนี่เป็นบว่วงเป็นภาระผูกพันกันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเราจะมีทัศนคติต่อลูกอย่างไรอ่า คำถามจากคุณน้ำฝนค่ะพ่อกับแม่เสียชีวิตไปแล้ว20กว่าปีดิฉนันมีความประสงค์จะทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่ดิฉนันจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับพ่อกับแม่หรือถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็ลองลองค้นดูว่าจะพ่อแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนเหมือนพระพุทธเจ้าค พระเจ้าหลังจากที่ตัดทะลุแล้วก็มีความสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็ส่งคนหากายทิพย์ของพระพุทธมารดาแล้วก็ไปเจอที่าที่ในสวรรค์ก็ติดต่อกันได้พระพุทธเจ้าก็เลยโปรดแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาจนเพราพุทธมารดาได้ตัดได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนต่อแล้วเพราะถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็จะรู้จักวิธีป ฏ, ปฏิบัติด้วยตนเองไปถึงนิพพานได้เหมือนก็สอนให้ขี่จั ก, กรยานพอขี่เป็นแล้วก็ปล่อยเขขี่ไปเองได้แล้วเดี๋ยวก็ขี่ไปถึงถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าขี่ไม่เป็นก็จะขี่ไม่ได้ก็จะไปไม่ได้สวโสดาบันนี้เป็นเหมือนผู้ที่รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานแล้ว จะมีครูบาอาจารย์มีพระพุทธศาสนามาสอนหรือไม่ไม่สำคัญลนะ่ะไปเองได้เพียงแต่ว่าไปชา้าไปเร็วทนั้นเองถ้ายังมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยติดตามอยู่ก็จะไปเร็วกว่าเพราะายังมีโอกาสหลงทางได้มีโอกาสที่จะทะเลทลายได้ไม่เะวาจะว่าหลงทางก็ไม่เชิงเพียงแต่อาจจะไปเลี้ยวผิดทางแต่เขาจะรู้ว่าไปผิดทางอไปแล้วพักหนึ่งเขารู้ไวยไม่ใช่ทางเนี่ยเขาก็จะถอนกลับมา แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยมาบอกตามทางแยกไว้ทางนี้อย่าไปนะไปทางนี้นะก็จะไปเร็วกว่าแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกทางเขาก็มีแผนที่อยู่ในใจเขาแล้วเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกับที่มีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอกใใคล้ายๆได้เป็นโสดาบันแล้วนี่มีเป้าหมายไปถึงพระนิพพานด้วยกันทุกคนเพราะว่าคําว่าโสดาแปลว่ากระแสไง กระแสสู่พระ น, นิพพานถ้าเราเข้ากระแสแล้วกระแสนี้มันก็จะพาเราไปสู่พระ น, นิพพานเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองะถ้าเรามีคนมาช่วยพายมันก็ไปเร็วหน่อยถ้าเราพายคนเดียวมันก็ไปช้าหน่อยเมื่อกี้หนูอยากจะถามอะไรนะคําถามจากบริษัทเอฟเอกอะคอ่ะพี่คือทําไมคนเราเกิดมาถึงมีการฉลาดที่ต่างกันคะ ก็เพราะเราเรียนรู้มามากน้อยต่างกันไงในแต่ละภพแต่ละชาตินี่เราก็ได้ไปรงเรียนได้ไปศึกษาความรู้เหล่านี้ความฉลาดเหล่านี้มันติดตัวติดมากับเราคนที่มีความรู้มากก็จะฉลาดกว่าคนที่มีความรู้น้อย <Yeah. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ตายแล้วสูญไงที่ตายไปนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของของตัวเราคือร่างกาย แต่ใจผู้ที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้ที่ฉลาดหรือโง่นี้ไปไปเกิดต่อแล้วความฉลาดหรือโง่นี้ก็ไม่ได้หายไปกับร่างกายมันติดอยู่ไปกับใจพอไปเกิดใหม่ถ้าฉลาดก็ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี่มาเกิดนี่ตอนเป็นเด็กนี่ฉลาดกว่าครูที่มาสอนอีกเพราะให้ครูมาสอนหนังสือกับพระพุทธเจ้าพระพเจ้ากับไปสอนครูสเพราะรู้มากกว่าครู เป็นเพราะอดีตชาติของพระธเจ้านีท่านศึกษามามากเรียนมามากกว่าอดังนั้นนี่คือเหตุทําไมคนเราถึงโง่ถึงฉลาดแตกต่างกันไปบางคนเกิดมาแต่ละชาติก็ไม่สนใจที่จะศึกษาจะเล่นจะเที่ยวอย่างเดียวพ่อแม่ส่งไปโรงเรียนก็ห น, นีโรงเรียนไปเกเรไปทะเลถลไปเล่นเกมไปมั่วสุมกันเรียนก็ไม่ได้อันที่สุดก็เรียนไม่จบอื ก็ไม่มีความรู้ตายไปก็โง่งเหมือนเดิมแต่คนที่เชื่อพ่อเชื่อแม่พ่อแม่ส่งให้ไปเรียนก็ขยันเรียนไปโรงเรียนทุกวันทำการบ้านเข้าห้องเรียนเรียนแล้วก็จบได้ปริญญาได้ปริญญาแล้วยังอยากจะเรียนต่ออีกปริญญาตีไม่โทก็ต่อโทอีกบางทีคนอีกคนต่อไปถึงปริญญาเอกเลยอันนี้ก็อยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนว่าอยากจะเรียนมากเรียนน้อย ถ้ายิงเรียนมากก็ยิ่งฉลาดขึ้นไปใหญ่าใจนะค่ะมีอีกข้อนึงค่ะหลักการทําบุญอุทิศบุญให้แก่คนตายที่ถูกต้องต้องทำอย่างไงครับก็เราก็ถวายขอให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วก็เราเสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญได้เวลาเราทําแต่ต้องเป็นเงินของเราของของเรานะไม่ใช่ว่าเป็นอย่างเมื่อกี้เด็กเขาถามมาว่า ขอเงินแน่มาทําบุญแล้วเขาได้บุญหรือเปล่าอันนี้เขายังไม่ได้บุญเพราะเขาไม่เกิดความรู้สึกว่าเขาเสียอะไรไปการทําบุญนี่ต้องเกิดความรู้สึกว่าเราเสียสิ่งที่เรารักไปเพราะเวลาที่เรายินดีที่จะเสียสิ่งที่เรารักไปนี่มันทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเอาเงินของคนอื่นไปทํำนี่เราจะไม่รู้สึกว่าเราได้อะไรหรือเสียอะไรเราก็เลยไม่มีความสุขใจขึ้นมาที่เรา ที่เราจะอุทิศไปให้กับผู้ร่วงรับไปได้ก็คือความสุขใจนี่ใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ร่วงรับใจเรามีความสุขแต่ผู้ที่ร่วงรับนี่เขาไม่มีเพราะเขาไม่ได้ทาบุญเขาเลยไม่มีความสุขใจติดตัวไปแต่เราสามารถแบ่งความสุขใจนี้ให้กับเขาได้ดังนั้นการทำบุญนี่ต้องเป็นของของเราเองไม่ใช่ไปนคนอื่นเขาใชใ้เรามาทำอย่างนี้ อย่างนี้เราจะได้บุญอีกอย่างเนึง่งบุญจากการรับใช้ผู้อื่นแต่ไม่ใช่บุญจากการทำทานบุญจากการรับใช้ผู้อื่นก็จะมีอันนี้อนนีสงต่างกันก็คือเรารับใช้ใครต่อไปในอนาคตก็จะมีคนมารับใช้เราดังนั้นต้องเข้าใจว่าบุญมันมีหลายอย่างบางทีมันทำร่วมๆกันเช่นเนี่ยคนอื่นเขาฝากให้เรามาทำบุญเขามาไม่ได้เราก็เราไม่ได้บุญจาก เงินของเขาที่มาฝากทำบุญอันนี้เป็นของเข า, เขาถึงแม้เขาไม่ได้มาเขาก็ได้ว่าเขาได้เสียสละสิ่งที่เขารักเขาหวงไปก็คือเงินทองแต่เราได้ก็คือเราเสียสละเวลามาเอาเงินทอ ง, ของเขานี่มาเราก็ได้จากการที่เราเสียสละกำลังกายเสียเวลาของเราแทนที่เราจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็มาทำประโยชน์ให้กับเขาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็เรียกว่า บ, บุญที่เกิดจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่น อันนี้ก็จะได้อันนี้ได้ผลต่างกันผลผลก็คือเราจะไม่รวยขึ้นเราจะไม่มีเงินฝากในธนาคารบุญแต่เราจะมีคนที่เขาจะมาช่วยเหลือเราในภายภาคหน้าคือคนนี้นะ่ะชาติหน้าอาจจะกลับสลับกันเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือเราเอาใจนะมีอีกไหมอโอเค จากคุณซีนีนาธเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราเวลาเจอหน้ากันในที่ทํางานเราจะทักเขาก่อนหรือทำหลีกเลี่ยงเฉยๆดีคะเพราะจิตใจเรายังไม่เข้มแข็งพอเราจะเอาหลักคําข้อไหนมาสอนตัวเองดีคะถ้าแผ่เมตตาได้ก็ทักเข้าไปถ้าแผ่ไม่ได้ก็ท<ม>ําทใจเป็นอุเบกขาไปพุทโธพุทโธไปเฉยๆไป คุณนภพัฒนค่ะอารมณ์นี่คือกิเลสใช่ไหมคะแล้วอารมณ์มีกี่ประเภทคะอ๋ออารมณ์นี่มันมีทั้งอารมณ์ที่เกิดจากกิเลสหรือว่าเกิดจากิอารมณ์ทั้งหมดเป็นกิเลสก็ไม่รู้เพอาะคนที่ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ก็คือความรู้สึกภายในใจเราแต่จะอารมณ์ดีก็มีนี่เวลาจิตสงบนิ่งนี่ก็เป็นอารมณ์อย่าง ก็อย่างนี้ก็เป็นธรรมแต่ถ้าเวลาเกิดอารมณ์ขุนมัวขึ้นมานี่ก็เป็นกิเลสเกิด อ, อย่างนี้กันอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็เป็นกิเลสอารมณ์ที่เ อ, อสุข ก, ก็เป็นกิเลสได้เหมือนกันเพราะบางทีเราสุข ก, กับสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราอยากได้มาเราก็เกิดอารมณ์ดีขึ้นมาวันนี้สามีเชื่อฟังเราทุกอย่างบอกให้หันซ้ายหันขวาก็ทําตามเราก็เกิดอารมณ์ดีขึ้นมาแต่พอพรุ่งนี้เกิด สั่งเขาหันซ้ายหันขวาเขาไม่หันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอยัางเราก็ไม่รู้แหละก็จะเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสก็ให้ดูตรงที่ว่ามันทําให้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็แล้วกันถ้ามันทําให้เราทุกข์ก็เป็นกิเลสถ้ามันไม่ได้ทาให้เราทุกข์มันก็ไม่เป็นกิเลสที่เราปฏิบัตินี่ก็เพื่อให้ไม่ให้เราทุกข์เท่านั้นแหละอันไหที่มันเป็นทุกข์เราก็อย่าไปทํามันทํำในสิ่งที่มันทําให้เราไม่ทุกข์ก็แล้วกัน ไม่มีอารมณออ์อันนี้ก็เป็นธรรมอย่างนี้ก็เป็นอุเบกขาไงแต่เวลาแผ่เมตตาก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอารมณ์อีกือรกันอันนี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันก็ถึงขอให้สรุปง่ายๆว่าทําไปแล้วให้เกิดอารมณ์สุขขึ้นมาก็แล้วกันอย่าให้มันทุกข์ก็แล้วกัน นอนนั่นเลยยังค่ะคําถามจากคุณณพลค่ะคนแก่ๆเคยบอกไว้ว่าเวลาใกล้จะตายญาติๆที่ตายหรือคนที่สนิทจะมาปรากฏให้เห็นเพื่อมารับเล่าเช่นนี้เราฟังแล้วเราควรคิดอย่างไรครับถือเป็นธรรมก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วเป็นการามาสวดเนี่ยการเขาพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเราก็ต้องไปพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่า ก็อรอเวลาเราใกล้าตายดูว่ามันจะเป็นยังไงจริงหรือไม่จริงก็จะรู้ตอนนั้นอ่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก็เฉยๆไปก็แล้วกันถามจากคุณทีเคถ้ามีคนมาโกงเงินเราแล้วเราดําเนินคดีตามกฎหมายตามความเป็นจริงเราจะบาปไหมมันมีเวรมีกรรมต่อกันไหมอีกไหมกะ บาปมันไม่บาปหรอกเพราะว่ามันเป็นการทวงเงินคืนแต่จะมีเวรมีกรรมหรือไม่ก็อยู่คนที่เขาถูกทวงคืนว่าเขาจะโกรธเกลียดเราหรือไม่ถ้าเขาเป็นคนที่คนดีเขาคงจะไม่มีเวรมีกรรมกับเราแล้วเขาก็ต้องยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาที่เขาเอาเงินเขาไปแล้วไม่คืนเขาแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีคนพานเขาอาจจะพานโกรธเกลียดเราก็ได้ว่าเงินแค่นี้มันทาไมต้องมาฟ้องร้องกันวะ อันนี้ก็แล้วแต่คนที่เราไปทำด้วยว่าเขาเป็นคนชนิดไหนถ้าไปทำกับคนดีก็ปลอดภัยไปคนดีมักจะให้อภัยคนดีมักจะไม่อยากจะจองเวรจองกรรมกันแต่ถ้าไปทำกับคนไม่ดีเขาก็อยากจะจองเวรจองกรรมกันคำถามจากคุณกุ๊กไก่ค่ะถ้าหนูคิดว่าพรุ่งนี้ต้องตายแล้ววันนี้จะสวดมนต์ถือศีลห้าให้ได้ครบ ไม่โกรธแล้วนั่งสมาธิจะคิดแล้วทำแบบนี้ทุกวันได้ไหมเจ้าคะได้ทำไปเถิดทำเยอะๆคาถามจากคุณสาสกรุณ า, าชีแนบด้วยค่ะในขณะที่เราถวายทานควรวางจิตอย่างไรให้สำเร็จถึงบุคคล น, นั้นที่ร่วงรับไปแล้วค่ะ <c oughs> เ, ออเวลาถวายทานให้วางจิตว่าของนี้ไม่ใช่ของเราแล้ว <c oughs> ให้เขาไปแล้ว ไม่ต้องไปตามดูว่าเขาไปทําอะไรเอาไปเขากินหรือเปล่าเขาใช้หรือเปล่าเขาจะไปให้ใครหรือไม่ให้ใครนี่อย่าไปสนใจเพราะถ้าเราให้เขาปุ๊บนี่มันไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของเขาแล้วตัดไปเลยอย่าไปสนใจเพราะถ้าเราไปสนใจใจเราจะไม่สุขใจเราจะมากังวลละ เ, เขาทำเขาจะไปให้ใครหรือเปล่าให้คนที่เราเกลียดหรือเปล่าพะให้คนที่เราเกลียดเราก็ ้านที่จะสูขใจเรากลายเป็นทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นอย่าไปสนใจเวลาเราจะให้ของใครแล้วก่อนที่จะให้ก็คิดให้ดีก่อนว่าคนนี้ให้แล้วจะทำให้เราผิดหวังหรือเปล่าถ้าทำให้เราผิดหวังก็อย่าไปให้หรือถ้าเราไม่สนใจจะเป็นคนดีคนชั่วเราขอให้ให้อย่างเดียวเราไม่สนใจคนรับจะไปทำอะไรก็ไม่ต้องเลือกก็ได้ทำไปเพื่อให้เราสบายใจเราก็ทาไปเราต้องการความสบายใจ แล้วเราจะได้เอาความสบายใจนี้แบ่งให้กับคนที่เขาร่วงรับไปแล้วความสุขใจความอิ่มใจที่เกิดจากการทำทานนี้จะทำให้ดวงวิญญาณที่หิวโหวยนี้คลายความหิวโหวยได้ใจที่ทุกทำให้คลายความทุกได้ เราได้บุญยิงย่งใหญ่ที่เรามีความสุขมากๆเนี่ยเวลาเราแพลไปเนี่ยไ ด, ได้มากเป็น<ช>เปอร์าซ็นสูงกว่าที่เรา<ช>นีด้หน่อยๆแล้วไม่ค่อยจะเอเท่ไร่ยุต้องทําจากใจแล้วต้องเสียของที่เรารักมากเนี่ยยิ่งยิ่งให้ของที่เรารักมากได้เท่าไหร่จะรู้สึกสุขใจมากถ้าให้ของที่เราไม่ค่อยรักมันจะไม่ค่อยรู้สึกสุขใจเพราะมันมันเราไม่เราไม่ไปหวงอ ยังให้แพนได้เนี่ยโอ้โหมันสุขใจยิ่งกว่าให้เงินทองอ <laughs> ยกให้เขาไปเลยแล้วเราจะนอนหลับสบายไม่ต้องมากังวลว่าคืนนี้เขาไปนอนกับใครหรือเปล่า <laughs> ยกให้เขาไปเลย <laughs> <laughs> เขาไปไหนยไม่ต้องมากังวลว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าเอ <laughs> ยกให้เขาไปที่ว่าอา่ะเขาอยากจะไปนอนกับใครให้เขาไปไม่ต้องมาโกหกเราก็ได้ไม่นองมาหลอกเราก็ได้อันนี้แหละคือความสบายใจที่เกิดจากการเสียสละ การที่ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับของที่เรายึดถือว่าเป็นของเร า, างั้นถ้ายิ่งให้ของที่เรายิ่งรักมากเท่าไหร่จะยิ่งได้ความสุขใจมากขึ้นเพราะมันจะเบา อ, อกเบาใจคำถามจากคุณเอพีค่ะทำอย่างไรถึงจะตัดความห่วงความอะไรในครอบครัวได้เจ้าคะกําลังคิดว่าต้องพัดภาคจากกันไปในที่สุด อนิจจาให้พิจนาะพระเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพาคจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นการพัดพาคจากกันไปไม่ได้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะทําใจได้เราไม่ค่อยชอบคิดกันเรากลัวกันพอคิดคําว่าพัดภาคจากกันแค่นี้ก็ไม่สบายใจแนละ้วในอุปสรรคที่ทําให้พวกเราปล่อยวางกันไม่ได้เพราะเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมมามาสอนเราให้เห็นความจริง วาอะไรในที่สุดเราก็ต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ถ้าเราสามารถบังคับใจเราให้นึกถึงการพัดพากอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนกับที่พระเจ้าสอนพระอานุน์ให้รลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกว่าเดี๋ยวเราก็ตายละเวลาตายก็พัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนึกทึกทุกลมหายใจเข้าออกจนกระท่านมันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนึกคิดเลยว่าเรามองใครมองอะไรนี้เราคิดอยู่เสมอว่าต้องจากกันต้องจากกันต้องจากกัน ถ้าอย่างนี้แล้วเราจะจะไม่ทุกข์เราจะเราจะปล่อยวางได้เราจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเพระาะไม่มีอะไรที่เราสามารถจะยึดติดหรือเอาไปกับเราได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องจากกันต้องจากกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเนี่ยสูตรเนี่ยที่พระเจ้าสอนให้พิจารณาอยู่ตรงๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ่าจากกันอันนี้เป็นสูตรพิเศษมากเป็นแสงสว่างแห่งธรรมเนี่ย ใอ้เรานึกถึงธรรมนี้อยู่ได้เรื่อยๆแล้วเราจะมีแสงสว่างคอยเตือนใจเราว่าอย่าไปเดินไปทางนี้อย่าไปยึดอย่าไปติดยึดไปติดเราจะทุกข์อย่าไปอยากได้มีอะไรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่มีดีกว่าอยู่แบบไม่มีได้ดีกว่าดีกว่าอยู่แบบมีถึงแม้จะมีความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องหมดไปสู้อยู่กับความ ความไม่มีดีกว่าถึงแม้จะไม่มีความสุขจากสิ่งที่เราไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันเวลาที่มันต้องจากมันไปคำถามจากคุณพชรักษ์ออกลงทานได้บุญแบบไหนคะและสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ใจไม่สงบเท่าไหร่ได้บุญไหมคะถ้าเราจะแผ่บุญให้ผู้อื่นก็ออกทาทานนี่มันก็ได้ความอิ่มใจสุขใจ เหมือนกับที่เราถวายข้าวของเงินทองให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยหรือให้ใครก็ตามก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้สอก็คือชาติหน้าจะไม่อดอยากขาดแค้นส่วนบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่มันได้ยากนั่งตอนนี้เรายังถ้าจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิมันยังไม่ได้ผลมันเป็นเหมือนกับว่า เพียงปุ๊บเพียงปลูกต้นไม้เท่านั้นเองแต่ต้นไม้นี่ยังไม่จะไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้ออกดอกออกผลจึงไม่มีบุญที่เราจะเอาไปอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปได้ฉะนั้นถ้าอยากจะ อ, อุทิศแบบทันทีทันใดนี้บุญที่ง่ายที่สุดก็คือเอาเงินที่เรามีเนี่ยไปบริจาคไปทําบุญเสพอทําปั๊บเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีสามารถอุทิศได้ให้แก่ผู้ตาย ได้ทันทีส่วนบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบนี่มันยากที่เราสวดกันที่เรานั่งกันอย่าไปคิดว่าสงบนะมันยังไม่สงบถึงจะไม่พุ่งสร้างเท่านั้นเองแต่มไม่รวมเป็นหนึ่งศักดแต่ว่ารู้เป็นอัปปนาเนี่ยอันนั้นถึงจะเป็นบุญอันนี้ยังไม่ยังยังไม่ค่อยอยากจะให้คิดว่า เราจะสามารถอุทิศบุญได้ด้วยจากการที่เราสวดมวนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกันเพราะเรายังอยู่ขั้นตอนของการก่อสร้างเป็นการปลูกต้นไม้ปลูกต้นบุญอยู่ต้นบุญนี้ยังไม่เจริญเติบโ ต, ตพอที่จะออกดอกออกผลได้นแต่ถ้าเรานั่งแล้วจิตเราเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยอทีนี้อุทิศได้อาอุทิศความสง บ, บอันนี้ให้แก่ผู้ที่ต้องการน พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พระหลานทั้งหลายถ้าไม่มีเงินทองที่จะอุทิศเหมือนพวกเราถ้าไม่มีเงินไปทําบุญเหมือนพวกเราท่านก็อุทิศด้วยจิตที่สงบที่ใสสะอาดนี่ความสุขของพระ น, นิพพานคําถามจากผู่พระสงฆ์ออกนามค่ะเมื่อใจเราไปยึด ก, กับบคุคคลคนหนึ่งอยู่ใจเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการ พอเขาทําไม่ถูกใจที่อย่างที่ใจเราต้องการเราก็ทุกข์ใจมากเราจะใช้เราจะใช้ธรรมะข้อใดแก้ไขให้ใจเราไม่ทุกข์คะอ่าก็เห็นก็เล่ามาก็รู้อยู่แล้วที่เราทุกข์ใจเพราะเราไปอยากไม่ใช่เลยก็เราอย่าไปอยากสิเหมือนกับที่เราปวดศีษระ<ม>ษะเพราะเราเอาเอาค้อนมาทุบศีรษะเราอยากจะให้ไม่ปวดศีรษะก็หยุดทุบศีรษะเราสิใช่ไหมใจเราก็เหมือนศีรษะนี่แหละใจเราทุกข์ก็เพราะว่าเราเอาความอยากเนี่ยมาทุกข์ใจเรา อยากให้เขาทาอย่างนั้นอยากให้เขาทาอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากปาั๊บใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล่ะงั้นหยุดทุบศีรษะแล้วสิหยุดอยากแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์พอไอด้เลยอีกสองข้อก็แล้วกันคําถามจากคือสมศรีค่ะลูกสาวอายุยี่สิบแปดปี เขาบริจาคโลหิตมาแล้ว27ครั้งเราเป็นแม่จะได้บุญในส่วนนี้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอเพราะเป็นโลหิตของเขาแม่ก็ต้องรดบริจาคของแม่ไปของใครของมันมคำถามจากคุณภพลเวลาที่ถูกคนแผ่เมตตาให้เราแล้วเราจะได้รับความรู้สึกเย็นอุ่นๆใช่ไหมครับ ไม่ใช่อาการที่แบบเย็นหนาวเย็นเย็นหนาวหนาวเสียวสันหลังอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่เวลาก็แผ่เมตตาก็คือเวลาเขาเอากันมาแจกเราเนะี่ยเวลาก็ให้เงินเราเนะี่นั่นแหละเวล า, าแผ่เมตตาไม่ใช่เขาสวดสเพสัตตานี่ยังไม่ได้แผ่พวกเราจะคิดกันอยู่ด้ว่าเวลาสวดสัเพแล้วเราแผ่เราไม่ได้แผ่เราเพียงแต่สวดเพียงแต่แสดงกิตนาลมว่าเราควรจะแผ่แต่เราจะแผ่จริงๆต้องจอรเจอกันเนีย เวลาเขาด่าเราก็สาธุนี่นี่แล้วแผ่เมตตาไม่โกรธเขาอนี่ก็ไม่ไม่จองเวรกันก็สาธุอ้ถ้าเป็นความสุขของคุณก็อนุโมทนาด้วยคุณอยากจะด่าเราก็สาธุไปหรือถ้าเรามีเงินเยอะเจอใครก็แจกคนไปเจอใครก็เอาไปคนร้อยสองร้อยเนี่ยใครเจอเราก็มันก็จะได้รับความเมตตาจากเราเขาก็จะรู้สึกเย็นสบายใช่ไหม อันนั้นแหละถึงจะเรียกร the ับผลของการแผ่เมตตาเวลาที่เข้าเวลาวันเกิดเราคนเข้าของขวัญมาให siglo, ้เราเนี่ยตอนนั้นแผ่เมตตาเขาแผ่เมตตาให้เราอหมดแล้วใช่ไ้มโอเคนะก็ขอให้นำในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร